มียอมยมคนไหนไม่เคยมาไหมยก ม, มือให้ดูหน่อยมีน้อยยังตรวจกันบ้านก่อนใครว่ okay. าไงอ๋อก็พอตอนกลับไปบ้านนะคะหลวงอาก็กมันครั้นี้มันก็ไม่ได้ติดสมาธิเหมือนเดิมนะคะก็เหมือนที่หลวงอาบอกว่าไม่ได้ไลงไปดูละเอียดนะคะหลวงอา ก, ก็ดูเป็นกิเลสที่มันเกิดขึ้นไปนะะแล้วตอนนี้จิตตื่นยังก็รู้สึกว่ามัมนก็ อาการเก่งเลยมันก็คือธรรมดาน้อยลงค่ะเพราะว่าโพสต์ตอนที่ดูมั น, มนเหมือนว่ามันโกยตัวเองโง่ไงค่ะหลวงอาเพราะหลวงอาบอกมันเข้าไปปรุงใช่ไหมคะตอนแรกดูไม่อ๋อนคะคะเพิ่มมาเห็นตอนตอนวันนั้นคือมันเหมือนหลุดออกมาทีหนึ่งอะคะ่ะตอนนี้รู้สึกตัวยังยังค่ะไปทําอะไรอยู่ดูออกไหมปรุงอยู่อ่ะค่ะหลวงอาปลุงมันทํำไมล่ะอตื่นเต้นหรอคะไปกดมันไว้อ่ะนะไปกดมัน มันยืนพื้นไว้เลยปล่อยปล่อยไปทำใจถึงถึงมันยังยืนพื้นอยู่ใช่ไหมคะงนใช่มันไม่ใช่ตื่นยืนพื้นน ะ, ะมันบังคับยืนพื้นอยู่ให้ดูให้ทันนะอยากดีอยากดีก็เลยไปจ้องไว้ไปบังคับไว้ควบคุมไว้ให้รู้ทันค่ะยืนตรงวันนี้ซึมนิดหนึ่งครับวันนี้ซึมซึมนิดหนึ่งครับ ซึม ใ, ใช่ตอนนี้จิตเป็นไงแต่ละวัน เ, เห็นว่าบางครั้งสุดมันจะเหมือนเฉยเฉยครับเห็นความเฉยเฉยของมันนะครับแล้วก็พอระลึกได้เมื่อไหร่ก็จะจะมีถ้อยคำว่าจิตมีหน้าที่ปรุงแต่งแต่ว่าอย่าไปปรุงแต่งจิตอย่างที่หลวงพ่อบอกนะครับ ม, มันติดเฉยเยอะไปนะตอนนี้ ใจิตใจต้องกระปรี้กับเป๋าคึกคักหน่อยอมันซึมไปนิดหนึ่งคุณต้องถึงแม้ว่าเรายังรู้สึกว่ารู้สึกไงแ ม, แม้กระทั่งตอนที่เรารู้สึกว่าอยากเป็นธรรมชาติหรือว่าเป็นธรรมชาติอยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็ยังมีความกลัวที่จะไม่บรรลุเนี่ยมันแทรกอยู่ทุกทุกขณะสิ่ได้ให้รู้ทันนะ ที่จริงแล้วนักปฏิบัติกลัวโง่กลัวไม่ได้มรรคผลนิพพานกลัวไม่รร้กลัวช้าคืออยากอยากได้เร็วๆทำไมต้องกลัวอย่างนั้นต้องอยากอย่างนั้นเพราะว่ามันรักตัวเองงั้นแทนที่เราจะมัวกลัวมัวอยากอะไรนะมันรักตัวเองมากนะมาเรียนรู้ตัวเองไปจนมันเลิกรักนะเลิกรักมันไม่น่ารักอย่างร่างกายมันมีความทุกข์บีบคั้นตลอดเวลา รู้สึกไหมรู้สึกไหมกลายเป็นทุกข์รู้สึกไหมจิตใจทํางานทั้งวันทั้งคืนไม่เคยได้หยุดพักเลยมีแต่ทุกข์ล้วนๆ น, นะนั้นเนี่ยเรียนรู้อยู่ที่กายที่ใจเพื่อให้เห็นว่ามันเป็นทุกข์นะ่นมีแต่ทุกข์ในกายทุกข์ในใจบีบคั้นตลอดเวลาค่อยรู้เพื่อให้เห็นสิ่งเหล่านี้เท่านั้นแหละไม่ต้องสนใจคําว่าปฏิบัติละคําว่าปฏิบัติมันหลอกให้เรารู้สึกว่าต้องทําอะไรมากกว่าการรู้ ถ้าที่เรารู้ตามความเป็นจริงรู้กายรู้ใจรู้กายรู้ใจรู้แจ้งเมื่อไหร่นะเขาจะปล่อยวางปล่อยวางแล้วพ้นทุกข์ถ้ายัางปล่อยวางไม่ได้เบื้องต้นจะเห็นก่อนเห็นว่ากายกับใจไม่ใช่เราได้พระโสดาบันปลอดภัยละได้โสดาไม่ตกต่ําแต่ไม่ใช่ไม่ทุกนะพระโสดาบันมีความทุกข์เยอะแยะไปไม่ใช่ไม่ทุกแต่ว่าใจมันมีหลักมันไม่ถึงขนาดล่มจม อารมณ์ทลายไปดีรู้ทันตัวเองดีแล้วมันมีความอยากผลักดันอยู่เรื่อยๆพอมีความอยากผลักดันใจก็ดิ้นรนใจก็ปรุงไม่เลิกพาใจปรุงไม่เลิกนะมันก็กั้นเราไว้จากมรรคผลนิพพานถ้าเรารู้ทันใจรู้กายรู้ใจไปไม่มีความอยากอะไรแทรกนะใจไม่ปรุงแต่งต่ออย่างที่คุณตรงว่า เรารู้สภาวะไปเห็นสภาวะมันปรุงแต่งแต่เราไม่ปรุงแต่งสภาวะเนี่ยจิตหยุดการทํางานหยุดความปรุงแต่งจิตหยุดความปรุงแต่งจิตก็ไปเห็นธรรมะที่พ้นจากความปรุงแต่งเกิดมรรคผลนิพพานขึ้นมรรคผลนิพพานนะจริงๆพร้อมจะเกิดให้เราเห็นอยู่นะเพราะว่ามรรคผลนิพพานตัวนิพพานเนะี่ยมีอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วนิพพานไม่ใช่ว่ายังไม่ได้เกิดขึ้น ต้องรอเราภาวนาแล้วนิพพานถึงจะเกิดขึ้นไม่ใช่นิพพานมีอยู่แล้วเต็มบริบูรณ์อยู่ต่อหน้าต่อตาแต่จิตของเรานี่เองนี่มันดิ้นรนปรุงแต่งมีตัณหามีความอยากก็ดิ้นรนปรุงดีปรุงร้ายปรุงโน้นปรุงนีน่ปนไปเรื่อยจิตที่มันปรุงแต่งนี่แหละมันไม่สามารถจะเห็นนิพพานซึ่งเต็มบริบูรณ์อยู่ต่อหน้าต่อตาเราแล้วงั้นให้รู้ทันความปรุงแต่งในจิตใจของเรา จนจิตใจนี้เว้นขาดจากความปรุงแต่งได้จริงๆเราก็จะเห็นนิพพานเานิพพานคือความไม่ปรุงแต่งนิพพานคือความสิ้นอยากใจของเราเป็นยังไงเราก็เห็นธรรมะได้ระดับนั้นนะอย่างบางวันจิตใจเราห่อเหี่ยวโลกนี้ห่อเหี่ยวทั้งโลกเลยนะวันไหนจิตใจเราสดชื่นโลกทั้งโลกสดชื่นจิตใจเราเป็นยังไงเราเห็นโลกอย่างนั้นแนหะจิตใจเราชั่วมากมีแต่ความเร่าร้อนเราก็เห็นโลกของนรก ใจิตใจของเราเป็นบุญเป็นกุศลเราเห็นโลกที่สงบสันติรุ่งเรืองนะเห็นเหมือนเห็นเทวดาใจิตใจระดับใดก็สร้างโลกระดับนั้นแต่ถ้าเมื่อไรใจิตใจไม่ปรุงแต่งเนี่ยมันจะไปเห็นธรรมะที่ไม่ปรุงแต่งนนิพพานมีอยู่แล้วไม่ต้องแต่เกียกรติกายหานะยิ่งพยายามหายิ่งไม่เจอยิ่งอยากยิ่งไม่ได้ยิ่งหายิ่งไม่เจอ ให้รู้ทันใจที่มีความอยากขึ้นมาให้รู้ทันใจที่ดิ้นรนทํางานขึ้นมาหมดอยากหมดความดิ้นรนนะก็เจอเลยอยู่ต่อหน้าต่อตานี่แหละเต็มบริบูรณ์เวลาไปรู้ไปเห็นนะครูบาอาจารย์เคยเล่าให้ฟังหลวงปู่สุวันตบอกพอท่านไปเห็นนะท่านด่าตัวเองเลยบอกทําไมมันโง่แท้เนาะนั่นว่างี้มันโง่แท้นาะของอยู่ต่อหน้าต่อตาเนี่ยไม่เห็น หรือบางทีก็เห็นเหมือนกันเห็นเหมือนกันแต่ก็ล้าเลยมันไปอย่างรวดเร็วเพราะไม่เข้าใจมันอย่างใจของเราบางครั้งมันก็เข้าถึงนิโรธเหมือนกันเช่นเรารู้สึกตัวขึ้นมากิเลสดับวับลงไปใจโล่งว่างสว่างไม่ปรุงแต่งไม่มีอะไรมันชั่วแวบหนึ่งนะั้นมันก็เป็นนิโรธเหมือนกันแต่ไม่ใช่ถึงขนาดนิพพานะนิโรธมันมีห้าระดับอย่างถ้าเรามีสติ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 ในขณะเกิดอริยผลอันที่หก็คือตัวนิพพานอันที่หนึ่งก็คือการสงบจากกิเลสเพราะการทำสมถะก็ถือว่าเป็นนิโรธเหมือนกันเป็นวิมุตตเหมือนกันเป็นวิมุตต์ขั้นต้นที่สุดเลยข่มลงไปด้วยสมถะอันที่สองข่มด้วยรู้ด้วยสติแล้วมันไม่ปรุงแต่งได้แค่แวบหนึ่งแวบเดียว นี่เราไม่สามารถทรงอยู่กับแว็บเดียวนี้ได้เพราะความปรุงแต่งอันใหม่มันเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วเลยงั้นก็เลยสู้กันได้ทีละขณะทีละขณะเป็นคลาวคลไปตอนเกิดอริยมรรคอริยผลเวลาเกิดเกิดคู่กันต่อเนื่องกันเลยเกิดอริยมรรคอริยผลจิตไปเห็นนิพพานคราวนี้เห็นนานหน่อยเห็นสองสามแว็บนี่ขนาดนานนะสองสามแว็บ เห็นแค่นั้นอะไม่เห็นเยอะหรอกมันก็ความปรุงแต่งก็กลับเข้ามาห่อพุ่มจิตใหม่ได้สกิทาคาก็หลุดออกมาอีกเห็นนิพพานอีกสองสามแว็บนะครูบาอาจารย์ท่านึึงบอกว่าเอ๊ะเคยเห็นนะเห็นแต่ไม่เข้าใจบางครั้งพอได้โสดาสกิทาคาได้อนาคาแล้วเนี่ย บางครั้งใจก็เข้าไปรู้นิพพานได้แต่ปุถุชนเข้าไปรู้นิพพานไม่ได้นะเข้าไปรู้ได้แค่ช่องว่างที่พวกเราบอกว่าี่อยู่กับสุญญาตาสุญญาตานะัสสุญญาตาตัวปลอมมันแค่ช่องว่างที่จริงไม่ใช่สุญญาตาคืออากาศาอากาสานัญจายตนะแปล ว, ว่าพระอริยะบุคคลเนี่ยถ้ามันนสิการถึงนิพพานนะเห็นได้เห็นได้เป็นคราวๆบางครั้งก็ภาวนา รู้กายรู้ใจแล้วก็เพิกถอนวางกายวางใจลงไปใจก็ไปเห็นนิพพานพะอเห็นนิพพานแล้วก็ถอยออกมานะไม่รู้ว่าจะเอาไว้ใช้ประโยชน์อะไรไม่รู้ว่าจะใช้ประโยชน์อะไรท่านถึงบอกว่าท่านด่าตัวเองว่าโง่แท้เนาะเห็นอยู่นะแต่ไม่รู้ไม่เข้าใจมันไม่เข้าใจนั้นภาวนามากเข้ามากเข้าในที่สุดเกิดความเข้าใจเข้าใจในนิพพาน เรียกว่ามีวิมุตยานทัศนะแจ่มแจ้งก็พบว่ามันไม่เคยหายไปไหนเลยเราต่างหากลาเลยไม่สนใจมันไม่เห็นประโยชน์หลวงปู่ดูลเคยบอกเรื่องประหลาดนะหลวงปู่ดูลเนี่ยอยู่บ้านนอกอยู่ป่าอยู่เขามาตลอดชีวิตนะไม่ได้เรียนรู้วิทยาศาสตร์รท่านวิจาร์ไอน์สไตน์ได้นะ ท่านคงพิจารณาของท่านเองมองไอน์สไตน์นี่มันเก่งนะมันเก่งมันสามารถพิจารณาไปถึงนิพพานได้แต่เขาไม่เห็นประโยชน์เขาไม่รู้จะใช้ประโยชน์อะไรเขาเลยไม่เอานี่ท่านวิจารณ์อย่างนี้อย่างสิ่งที่ปิดบังนิพพานไวนะ้เนี่ยก็มีรูปนามขันห้าสมมติบัญญัติไอน์สไตน์เก่งนะถึงขนาดมองว่าสิ่งที่ ตัวเราที่แท้จริงนี้เป็นแค่เศษธุลีในจักรวาลเล็กนิดเดียวไม่มีนัยยะอะไรเป็นแค่เศษธุลีในจักรวาลแต่ความสำคัญตัวสำคัญมั่นหมายขึ้นมาว่าตัวเรามีอยู่จริงๆมนุษย์ก็เลยแยกตัวเองออกจากสิ่งที่แวดล้อมอยู่เกิดเราเกิดเขาเกิดสิ่งแวดล้อมขึ้นมานี่มันไอน์สไตน์มองไปเห็นได้อย่างนี้ว่าจริงๆตัวตนที่แท้จริงไม่มีหรอก เป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในจักรวาลเนี่ยชั่วขณะนะเสัมผัสชั่วขณะแล้วก็ดับสลายนี่หลวงปู่ดูลท่านวิจารณ์นะประหลาดเรายังไม่เคยอ่านเลยที่อีกองคนะวิจารณ์เรื่องเบอร์มิวดาประหลาดนะพระอยู่ในป่าไม่เคยรู้หนังสือไม่เคยอะไรนี่หลวงปู่ดูลบอกว่าไอน์สไตน์ไม่รู้มรรคแล้วก็ไม่รู้ว่าจะใช้ประโยชน์อะไรเขารู้จักแต่ประโยชน์ ที่จะเอาออกมาทํางานทางโลกนี่เงินมรคที่ไอน์สไตน์เสนอขึ้นมามันกลายเป็นมรคของคริสเขบอกว่ามนุษย์เป็นเศรษธุรีของจักรวาลไม่มีความสําคัญอะไรมีแต่ความสําคัญตัวว่าใหญ่หลือเกินมีอัตตามากเลยสร้างปัญหาขึ้นมาเยอะแยะมีความทุกข์เยอะแยะงั้นให้มนุษย์นี่รักเพื่อนบ้านรักคนอื่นซะนี่ใช้วิธีของคริสนะใช้มรคของคริสคือใช้ความรักมรคของคริสใช้ความรักนะ มักของพุทธใช้ความรู้คนละวิถีกันวิถีแห่งทางพ้นทุกข์ก็ไม่เหมือนกันตามสติปัญญาตามสภาพแวดล้อมแต่ละสังคมนี่ของเราชาวพุทธนะเราขนาดเขาเป็นไม่ใช่พุทธแท้ๆนะเขายังหยั่งเข้ามาถึงความจริงอันหนึ่งเลยว่าตัวเราที่แท้จริงไม่มีแต่เรารู้สึกมีนี่พระพุทธเจ้าสอนวิถี ให้มาดูสิ่งที่เรารู้สึกว่าเป็นตัวเราดูเข้ามาในกายดูเข้ามาในใจเนี้ยจนวันหนึ่งปัญญามันแจ่มแจ้งะกายกระใจนี้ไม่ใช่เราหรอกกายนี้เป็นแค่เศษทุลีของโลกนั่นแหละเป็นสมบัติของโลกนั่นแหละกระทั่งจิตใจนะก็ เ, เป็นธาตุอย่างหนึ่งจิตก็เป็นธาตุอย่างหนึ่งเรื่องวิญญาณธาตุธาตุรู้ก็ไม่ใช่ตัวเราที่แท้จริงเป็นธรรมชาติอย่างหนึ่งที่มีหน้าที่รู้เท่านั้นเองแล้วมันทํางานได้เอง สั่งมันไม่ได้นะมันตรงดูออกเลยใช่ไหมสั่งมันไม่ได้มันทำงานได้เองเนี่ยดูดูไปนะหาตัวเราไม่เจองั้นเฝ้ารู้ลงในกายในใจนะวันนึงตัวเราไม่มีหรอกใจเราก็หยุดความปรุงแต่งหยุดการสแสวงหาหยุดกิริยาอาการของจิตหลวงปู่โ ด, ดนใช้คาเหล่านี้ไม่มีอะไรเลยไม่เหลืออะไรสักอย่างก็จะพบเห็นสันติสุขท่านบอกสันติสุขที่รุ่งเรืองและเร้นรับเนี่ย รุ่งเรืองและเร้นลับเง mm. ินเต็มบริบูรณ์อยู่ต่อหน้าต่อตางั้นเราอย่าดิ้นรนหาธรรมะนะอย่าดิ้นรนมากทําไงจะพ้นทุกข์ทำไงเราจะมีความสุขทําไงจะได้รับความสงบถาวรยิ่งดิ้นรนยิ่งไม่เจอนะยิ่งอยากยิ่งไม่ได้จะให้รู้ทันจิตใจของเรามีความอยากใดๆเกิดขึ้นรู้ทันลงไปจิตใจของเราดิ้นรนทํางานขึ้นมารู้ทันมันลงไป มันดิ้นรนขึ้นมาเพราะว่ามันรักตัวเองนะดิ้นรนหาความสุขดิ้นรนหนีความทุกข์เท่านี้เองไม่มีอะไรมากกว่าเนี้ยยเพอเรารู้ทันจิตใจของเราอย่างแท้จริงเลยมันไม่ใช่ตัวเราเนี่หมดความรักในจิตใจนี่นะหมดความรักความยึดถือคราวนี้ไม่มีความดิ้นรนเกิดขึ้นอีกแล้วไม่รู้จะดิ้นทําไมจิตนี้ไม่ใช่ของเราไม่ใช่ตัวเราพอหมดความดิ้นรนนะก็จะเห็นเลยโอ้อยู่นี่เอง ที่ฝากเป็นฝากตายที่ที่พ้นจากความทุกข์อย่างแท้จริงมีความรู้สึกเหมือนเรากลับมาบ้านแล้วกลับมาบ้านได้แล้วมาเจอบ้านที่แท้จริงแต่และคนพวกเราใครเคยย้ายบ้านมีไหมใครไม่เคยย้ายบ้านเลยมีมั้งมในนี้ <laughs> ยกเว้นเด็กเล็กๆนะถ้าโตหน่อยเราจะรู้สึกเลยตอนเราเด็กๆอยู่บ้านพ่อบ้านแม่นะแต่ถ้าเราพี่น้องหลายคนนะั่นแหลจะรู้สึกนี่ยังไม่ใช่บ้านที่แท้จริงของเรา กขึ้นเราต้องหาบ้านของเราเองเราไปอยู่หลังนี้นะทีแรกก็นึกว่าใช่แล้อยู่ๆสักพักมันรู้สกึกยังไม่ใช่อ่ะยังไม่ใช่บ้านที่แ ท, ท้จริงของเรา œ. ต้องหาอีกนะหาไปเรื่อยๆนะจิตนี้ก็เหมือนกันเที่ยวแสวงหาพบไปเรื่อยหาบ้านหาไปเรื่อยๆนะหวังว่าตรงนี้จะใช่ตรงนี้จะใช่ตรงนี้อยู่แล้วแต่มีแต่ความสุขถาวรมีความสงบถาวรหาเท่าไหร่เท่าไหร่ไม่เจอนะมันรู้สึกว่ายังไม่ใช่ยังไม่ใช่ หรือพวกเราชาวโลกตะ ก, กายหาความสุขทางโลกนะพอได้อันนั้นมาเราก็ยังรู้สึกว่าไม่ใช่อีกอะ่ะไม่ใช่บางคนแสวงหาความสุขในกามไอจีบสาวมาพอได้สาวมาก็เพราะว่ามันไม่ใช่อีกอะ่ะไอสาวมันได้ไหนุ่มมามก็รู้สึกไม่ใช่อีกอะ่ะมันยังมีความต้องการอะไรที่เร้นลับลึกๆอยู่ในใจซึ่งมันยังไม่ไม่สิ้นสุดลงต่อเมื่อวันใดเราภาวนาเป็นเข้าถึงทำแท้ๆเนี่ย เราจะรู้เลยว่าตรงนี้แหละใช่ละการเดินทางที่ยืดเยื้อยาวนานของเราในสังสรารวัฏนี่ยสิ้นสุดลงละสิ้นสุดลงตรงที่พ้นจากความปรุงแต่งนี้แหละพ้นจากความยึดถือนี่แหละที่ฝากเป็นฝากตายอยู่ตรงนี้เองความทุกข์เข้ามาไม่ถึงความทุกข์เข้าได้แค่ขันนะแค่รูปกระ น, นามแค่กายกระใจความทุกข์เข้าไม่ถึงธรรมอันนี้จิตที่ทรงธรรมอันนี้อยู่นะเต็มบริบูรณ์มีแต่ความสุขล้วนๆเลยจิตกระทำมันเสมอกัน จิตระดับใดทำาก็ระดับนั้นเยหลวงปู่มั่นเลยเรียกทีติจิตทีธรรมเป็นคู่คู่นะทีติจิตทีธรรมครูบาอาจารย์บางอ ง, งค์เรียกจิตหนึ่งทำหนึ่งจิตเอกทำเอกอะไรจิตเดียวทำเดียวอะไรี้แล้วแต่จะเรียกเป็นหนึ่งมันไม่ได้ยากเกินวิสัยถ้าเรารู้หลักแต่ถ้าเราไม่รู้หลักทำไม่ได้หรอก เพราะอะไรเพราะโดยสัญชาตญาณของเราเนี <millimeters> like True, so. ่ยเราคิดแต่ว่าทําอย่างนี้แล้วน่าจะดีทําอย่างนี้แล้วน่าจะดีเราคิดแต่จะทําคิดแต่จะปรุงแต่งพระพุทธเจ้าไม่ได้ให้เราปรุงแต่งอะไรแต่ให้รู้ทันความปรุงแต่งสิ่งที่เรียกว่าความปรุงแต่งก็คือกายกระใจนั่นเองรู้ทันความปรุงแต่งจนวางความปรุงแต่งพ้นจากความปรุงแต่งนี่จะเห็นธรรมะที่พ้นจากความปรุงแต่งจริงๆธรรมะนี้มีความสุขนะมีแต่สันติสุขล้วนๆเลย ทั้งวันทั้งคืนจิตใจเราหมดความหิวโหยและสบายไม่ถูกบีบคั้นจิตใจของคนทั้งหลายสัตว์ทั้งหลายนะถูกบีบคั้นตลอดเวลาบีบเองมันต้องดูออกเรื่องบีบทั้งวันเค้นเค้นนะหยิบ ม, มันขึ้นมาแล้วก็เค้นเคเ้ น, เนมันไปเรื่อยเรยมันถูกบีบคั้นทั้งวันทั้งคืนนะหาความสุขที่แท้จริงไม่ได้เราก็พยายามเค้นเพื่อจะหาความสุขจาบตัวมันจิตที่พ้นจากการบีบคั้นเนะี่ยโอ้มีความสุข เมื่อก่อนอ่านพระไตรปิฎกเคยอ่านหนังสือธรรมะบอกเวลาพระพุทธเจ้าตรั ส, สรู้แล้วนะท่านพิจารณาว่าท่านจะเอาอะไรเป็นสารณะท่านบอกว่าต้องมีสารณะนะถ้าไม่มีสารณ ะ, ไ ม, มรณะไม่มีที่พึ่งเลยเนี่ยชีวิตไม่มีความสุขท่านพิจารณาดูท่านจะเอามนุษย์เอาเทวดาที่ไหนเป็นสารณะที่พึ่งของท่านไม่มีหานะคนที่วิเศษเท่าท่านยังไม่มีเลย จะหาคนที่เหนือกว่าท่านยิ่งไม่มีใหญ่ท่านพี่ณาไปพี่ณาไปท่านบอกท่านเอาธรรมะนี่แหละเป็นสารณะแต่เดิมอ่านตรงนี้ไม่เข้าใจนะเอาธรรมะเป็นสารณะธรรมะมีตั้งตู้หนึ่งจะเอาเล่มไหนอะเนี่ยของเราเอาตู้นี้ไปแบ่งกันหนะ้าได้แปดสิบคนเอาเป็นสารณะนะเอาห้อยคอไว้เพื่อความขลัง ถ้าเราภาวนาจนเราเข้าถึงธรรมจริงๆเรารู้เลยธรรมที่ฝักเป็นฝักตายได้คนิพานนี้เป็นสถานะได้จริงๆพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์นี่รวมกันลงที่เดียวกันนี่เองประชุมลงเป็นหนึ่งนี่องจิตนั้นแหะทรงธรรมนะธรรมก็ทรงธรรมไว้จิตไปรู้ธรรมจิตนั้นก็ทรงธรรมไว้จิตอันนี้ไม่มีความทุกข์แผ่วผ่านได้อีกละ พระพุทธเจ้าท่านบอกท่านเลยเอาธรรมนี้เป็นสละณนะต่อไปนี้นะสิ่งอื่นคนอื่นหรืออะไรทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยทําร้ายได้แต่ขันจะทําร้ายเข้ามาไม่ถึงจิตที่บริสุทธิ์หลุดพ้นอันนี้ละมีแต่ความสุขถาวรมีความสุขล้วนๆเลยความสุขในโลกนะัเป็นความสุขชั่วครั้งชั่วคราวนะความสุขแวบๆบยิแบบ่งความสุขที่อิงอาศัยคนอื่นนี่ยิ่งไม่ได้เรื่องเลย อย่างพวกญาติโยมมาบางทีก็มาเล่าให้หลวงพ่อฟังนะทุกนอนทุกนี้นะไม่ค่อยมาเล่าเรื่องมีความสุขหรอกนี่เล่าหลวงพ่อก็ขี้เกียจฟังนะมาเล่าทําไมทุกไม่ได้มีเอไว้เล่านะทุกมีเอไวร้รู้เอาไว้เรียนรู้ให้มันเข็ดหลาบชีวิตถ้ายัางรู้สึกชีวิตอร่อยอร่อยเพลิดเพลินอยู่นะมันพ้นทุกไม่ได้หรอกนี่หลายคนมาเล่า ส่วนมากนะ่ททำไมชอบมาเล่ารับหลังต้องรับหลังคนอื่นนะ <c oughs> หนูเป็นแถว <c oughs> เป็นตุด๊ดเป็นแถว <c oughs> นะบางทีจูงมือมาเป็นคู่ๆูก็มีมาขอพอรเอาทำไมต้องมาขอพอร <c oughs> <c oughs> <c oughs> นี่นะคู่ผู้หญิงคู่ผู้ชายคู่อะไรเงี้ยคนก็มีแต่ปัญหาเยอะแยะมาขอพอรพระไม่ได้เรื่องหรอกนะ <c oughs> พรให้กันไม่ได้หรอก ให้หลวงพ่อก็สอนให้ภาวนาให้มีศีลมีธรรมไปนะเราต้องภาวนาเองมีศีลมีธรรมจิตใจเราค่อยมีความสุขขึ้นทีแรกความสุขเนี่ยอาศัยคนอื่นเห็นมมามาเป็นคู่คู่ถ้ามีคนนี้เรามีความสุขเมื่อวานก็มีคนหนึ่งไอ้หนุ่มคนหนึ่งมาถึงนะมีความทุกข์มากเพราะว่าแฟนผู้ชายของตัวเองแต่งงานกับผู้หญิงไปแล้วเนะ มีนะผู้หญิงคนหนึ่งก็มาคร่าครวญว่าจะเป็นบ้าเลยสามีหนูสิคะนี้ไป ม, มีสามีแล้วหนูท้อแท้ใจหนูไม่มีทางสู้มันเลยนะหนูไม่มีเหมือนมันถ้าผู้หญิงกับผู้หญิงนั่นเราหนูยังพอสู้นะนี่ผู้ชายมาแย่งสามีไปเนี่ยความสุขของคนในโลกอย่างเงี้ยมันอิงคนอื่นมันอิงคนอื่น ตอนเราเด็กๆความสุขเราอิงพ่ออิงแม่อิงพ่ออิงแม่พอมาเป็นวัยรุ่นความสุขเราอิงอยู่กับเพื่อนมีครอบครัวนะความสุขเราก็อิงอยู่กับคู่ของเราอิงอยู่ไม่นานนะบางคนก็ไปมีความสุขกับงานเรียกว่าแต่งงานไปแต่งกับ ง, งานบางคนก็ไปหาความสุขจากทรัพย์สินเงินทองพอแก่ลงมานะเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วทุกอย่างไม่มีความหมายละ ทุกอย่างไม่มีความหมายเลยที่หาหาไว้ไมันช่วยเราไม่ได้สักอย่างหนึ่งทุรนทุรายมีแต่ความทุกข์ล้วนๆนี่ความสุขที่อาศัยคนอื่นอาศัยสิ่งอื่นนี่นะแ ป, ปรปลุนได้ง่ายยังมีความสุขอีกอย่างหนึ่งความสุขสงบในจิตใจจากการภาวนาทําสมถะไปทําใจให้สงบนะไม่ต้องยุ่งเกี่ยวกับใครวันๆอยู่กับความสุขความสงบตามลําพังไม่อิงอาศัยสิ่งอื่น นี้ก็มีความสุขมากขึ้นหน่อยแต่ก็ยังไม่เที่ยงแท้นะความสุขที่เที่ยงแท้จริงๆเนี่ยความสุขที่เราเรียนรู้เข้ามาในกายในใจจนปล่อยวางความยึด ถ, ถือกายยึด ถ, ถือใจได้เป็นความสุขที่ควบคุมกายควบคุมใจได้นั้นก็มีความสุขเหมือนกันที่ทําสมถะเนี่ยควบคุมกายควบคุมใจไว้ได้ชั่วครั้งชั่วคราวมีความสุขแตความสุขที่ปล่อยวางกายวางใจได้นี่อัศจรรย์ที่สุดเลยคราวนี้ ความสุขที่อาศัยการควบคุมกายควบคุมใจก็ยังไม่เที่ยงวันหนึ่งหมดแรงควบคุมนะมันก็ทุกขึ้นมาได้อีกนี่คกามสุขในโลกมีหลายระดับนะความสุขที่ยิงอาศัยคนอื่นสิ่งอื่นเรียกว่ากามสุขความสุขที่เกิดจากการทําสมถะควบคุมกายควบคุมใจได้ก็เป็นความสุขที่ไม่ใช่กามแล้วพ้นจากกามแต่ก็ยังเป็นโลกิยะอยู่ยังแปรปรวนได้อยู่เพราะว่าร่างกายจิตใจของเราเป็นของแปรปรวน รักษาให้มันสงบให้มันดีมันก็อยู่ได้ชั่วครั้งชั่วคราวพอ ห, หมดแรงบังคับนะั้นมันก็แปรปรวนขึ้นมาอีกทุกข์ขึ้นมาอีกนีความสุขที่พ้นจากขันพ้นจากกายอยากใจนี่แนหะคือความสุขที่แท้จริงมันเต็มอิ่มอยู่ทั้งวันทั้งคืนนะเวลาแก่ก็มีความสุขนะเวลาเจ็บก็มีความสุขครูบาอาจารย์หลายองค์ที่ท่านภาวนาจนท่านเข้าถึงความสุขอั น, นีนะ้ท่านมีความสุขจริงๆนะเกิดอะไรขึ้นท่านก็มีความสุข ยังหลวงปู่ดูลนะไฟจะไหม้วัดนะท่านก็บอกไฟมันมีหน้าที่ไหม้ <c oughs> ไม่ทุกนะไฟมันมีหน้าที่ไหม้หลวงปู่บุตดาเโยมทําน้ําปานะมาถวายวันแรกเนี่ยพระอายุมากแล้วคงจะขาดวิตามินซีทำสับเปรี้ยวสุดๆเลยนะไปถวายท่านท่านก็ฉันไม่พูดอะไรฉันเหลือหน่อยนึงนะเจ้าของคนทํามาชิมโอ้เปลี้ยวอย่างเลย ถามหลวงปู่เปรี้ยวมากไหมคะแบบเปรี้ยวพอดีเปรี้ยวพอดีนะเอไม่ใช่เปรี้ยวเกินไปนะเปรี้ยวพอดีอีกวันหนึ่งเอาใหม่นะทําเติมน้ําตาลหน่อยเดี๋ยวหลวงปู่จะเปรี้ยวนะหลวงปู่ก็ฉันเฉยๆอะ่ะไม่ว่าอะไรตัวเองเหลือ น, นิดหนึ่งมาชิมดูโอ้ <c oughs> หวานแสบคอเลยหลวงปู่หวานเกินไปไหมคะอืม <c oughs> วันนี้หวานพอดีมันมีแต่คําว่าพอดีนะ ทางอีสาเนเก็มี อ, องค์ชื่อหลวงปู่ดีเนาะชื่อจริงๆชื่ออะไรไม่มีคนรู้ล้วคนเรียกว่าหลวงปูด่ดีเนาะดีเนาะใครมาเล่าอะไรให้ฟังนะ้เออดีเนาะ <c oughs> หลวงพ่อก็ชักคล้ายๆท่านนะ <c oughs> พวกเรามาเล่าหมู่นี้หนูเห็นกิเลสเยอะเออดีนี่นะดียังไม่ถึงดีเนาะนะท่านภาษาอีสานดีเนาะดีเนาะผัวเมียตีกันมาเล่าท่านก็ยังดีเนาะเลยนะแต่จริงๆแล้ว ค, คนที่เข้าถึงธรรมนะมันเห็นทุกอย่างธรรมดาไปหมดอะ่ะคนแต่ละคนก็เผชิญกับสิ่งที่สมควรแล้วสมควรแล้วเรารู้สึกว่าเราได้เผชิญกับสิ่งที่ไม่สมควรถ้าสิ่งดีๆเนี่ยสมควรน้อยไปหน่อยน่าจะนานๆนนถ้าสิ่งไม่ดีเนี่ยรู้สึกไม่สมควรกับเราเลยทำไมคนมาด่าเราทำไมเราทำความดีแทบตายคนไม่เห็นความดีเลย เราจะรู้สึกอย่างนี้นะคนที่ยังไ ม, ไม่ได้ทำมาแท้ๆถึงจิตถึงใจแท้จริงแล้วกฎแห่งกรรมทำหน้าที่ของมันยุติธรรมที่สุดนะยุติธรรมงั้นเวลาเรารเผชิญสิ่งใดๆในชีวิตเรานะอย่าท้อแท้ใจนะเพรานฉะนั้นมันพอดีกับเราละในขณะนั้นแต่และอย่างแต่และอย่างเราได้ในสิ่งที่เราทำนั่นแหละเราเป็นในสิ่งที่เราทามานแน้วล่ะ นี่ถ้าเรายอมรับทุกสิ่งทุกอย่างที่มันปรากฏขึ้นมาแต่ไม่ใช่ยอมจำนนนะอย่างชีวิตของเราเกิดมายากจนบางคนเกิดมาจนมากไม่ใช่ยอมจำนนให้จนต่อไปแต่ไม่ใช่ดูถูกเหยียดหยามตัวเองลดทอนคุณค่าของตัวเองถึงจะจนก็ยังเป็นมนุษย์มีความคิดมีความสามารถอะไรอย่างเงี้ยไม่ท้อถอยว่าโอ้ฉันจนแล้วแย่แล้วชีวิตนี้ฉันแย่แล้วสู้ใครไม่ได้อะไรอย่างเงี้ย ชาวพุทธที่แท้จริงนะไม่หวั่นไหวเราจนก็จนนะแต่ขยันทํามาหากินรู้จักเก็บออมรู้จักอะไรนะต่อสู้กับชีวิตวันหนึ่งมันดีขึ้นเพราะงั้นเราเวลาเราไปเผชิญกับปัญหาของชีวิตนะอย่ามัวแต่ตัดเพราะต่อว่าคนอื่นอย่ามัวแต่ตัดเพราะต่อว่าโชคชะตาของตัวเองนะต้องสู้นะต้องยอมรับสภาพเลยว่ามันต้องเป็นมันต้องมีอย่างนี้แหละอย่างสามีไปมีแฟนใหม่มันต้องมีเหตุมีปัจจัยของมันแหละ มันอาจจะชั่วก็ได้นะเหตุปัจจัยคือเราโง่ไปเลือกสามีชั่วนี่ย <c oughs> มันต้องมีเหตุนะเสร็จ <c oughs> แล้วที่เหลือเนี่ยทำใจให้ดีแล้วไปแก้ปัญหาเอานะชาวพุทธนะชาวพุทธ <c oughs> เรียนธรรมะเรียนให้ได้สติเรียนให้ได้สติเรียนให้ได้ปัญญาใจของเราจะตั้งมั่นเข้มแข็งสามารถดํารงชีวิตอยู่ในโลกอย่างรู้ทันโลกนะ มีปัญหาเกิดขึ้นมารู้ทันปัญหาทั้งหลายนี่เป็นเรื่องธรรมดาของชีวิตชีวิตต้องมีปัญหาแต่ว่าคนที่เข้าใจธรรมะเนี่ยเมื่อเกิดปัญหาแล้วไม่มีความทุกข์ไม่มีความทุกข์แล้วก็มีสติมีปัญญานี่ไปแก้ปัญหาเมี่มาเรียนธรรมะนะถ้ายังไม่ได้มากผลนิพพานอย่างน้อยก็สามารถอยู่ในโลกอย่างมีความสุขได้วันนี้ธรรมะหลวงพ่อนะมันลดลงมาเรื่อยๆรื่อู้สึกไหม <laughs> ตามจํานวนโยม ถ้าธรรมะที่หลวงพ่อเทศนะ์นะไม่มีการเตรียมโผถ้าคนไหนภาวนาดีๆถามธรรมะนะั้นธรรมะมันก็ลึกซึ้งหน่อยชาวโลกเยอะหน่อยธรรมะมันก็เป็นโลกๆเยอะหน่อยพอเหมาะพอควรสงสัยต้องแบ่งคอร์สนะต่อไปแบบโลกๆแบบแบบเข้มข้น แบบโลกโลกคนนี้มนหลวงพ่ออื่นประเทศเท ศ, เทศได้ทำทานถือศีลอะไรเงี้ยรักษาจิตใจอะได้คนหนึ่งอ่ะนี้ส่งกันบ้านได้สามคนสี่คนเองเอ้าทางหลวงพ่ออแรกก็ตื่นเต้นอันนี้มันก็มองเพ่งตัวเองบ้่งรู้รู้มันบ้างอะไรค่อยค่อยหายค่อยค่อยหาย ห, หายแล้วก็ขึ้นมาใหม่แล้วก็ค่อยหายค่อยหายเมื่อวานเมื่อวานไปรู้สึกจะผมจะเข้าไปทําตามรูปแบบมากรู้สึกมันซึมเอาซึมมือก็นอนเลยรู้สึกอาการตัวเองผิดปกติปุ๊บนอนนอนแล้วก็ตื่นมาเดินสักชั่วโมงแล้วก็ตื่นมาเดินจงกรมก็รู้สึกสบายขึ้นอะไรทดีวันนี้จิดีกว่าเมื่อวานเยอะเลยใช้ได้แล้วดีอ่ ะ, อะได้อีกหนึ่งคนเมือม่อเมื่ออาทิตย์ที่แล้วอะครับหลวงพ่อบอกว่าเพ่งเยอะมากแต่ อาทิตนี้เพ่งเยอะไหมครับเอเพ่งเยอะเหมือนกันแต่ไม่มากไม่มากเท่าอาทิตย์ก่อนอาทิตย์ก่อนบอกเพ่งเยอะมากเนี่ยสองตัวทั้งเยอะทั้งมากดีใค่าดูเอาทำไมต้องเพง่งอยากดีอยากปฏิบัติกลัวจะทุกข์กลัวจะไม่ดีกลัวจะหลงกลัวจะเฟอ้อเห็นไหมอยากอันหนึ่งกลัวอันหนึ่งนะรักอันนึงเกลียดอันหนึ่งนี่แหละมันทําให้ใจเราเกิดการทํางานขึ้นมา ความรักความเกลียดความพอใจความไม่พอใจเนี่ยความยินดีความยินร้ายนี่เองเป็นแรงผลักดันให้จิตใจเราทำงานพอจิตใจเราทำงานจิตใจเราก็ปรุงแต่งจิตใจเราก็มีความทุกข์ขึ้นมาให้เรารู้ทันรู้ทันลงไปมันอยากปฏิบัติก็รู้ว่าอยากปฏิบัติไม่ใช่อยากปฏิบัติแล้วก็ภาวนาอะไรดุเดือดขึ้นมาให้คอยรู้ทันเร